จเจริญพรวันนี้หลวงพ่อตั้งเรื่องว่ามองข้ามไปจึงไม่เห็นเออจะชี้แบบบางทีจะชี้จังจังจังจั ง, จงเนี่ยบางคนพอยิ่งยิ่งต้อนมากยิ่งคุยมากเขาเขาก็งงอะ่ะเนาะเราก็ต้องปล่อยให้ให้หลุดไปบ้างไปคุยเรื่องอื่นๆนนเนี่ยอะเนี่ยเพราะบางทีจากการสังเกตคนก็เหมือนกับเขาก็ไม่เก็ตอ่ะนะเขาก็จะเอาเรื่องที่เขาจะพูดมาพูดพูดพูดแต่เราจะ ให้ชี้ตรงนี้ก็ยังยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าเห็นแล้วก็จะเห็นชํานาญมากขึ้นอย่างว่าเราที่เคยเห็นแล้วเนี่ยเวเลาหลวงพ่อจี้คนอื่นเนี่ยก็จะเห็นเห็นได้ง่ายเลยว่าอ๋อเขาไม่รู้ตรงนั้นแต่เราหมายถึงว่าเรารู้ตัวเองแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ชํานาญมากขึ้นมันมีเรื่องของที่เราคุยกันทั้งหมดอนะก็คือจริงๆก็เพื่อให้ปล่อยวางนะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางความเป็น ตัวตนของเราปล่อยวางถึงที่สุดคือปล่อยวางหมดเลยไม่ได้ยึดถือสิ่งใดนะแต่ทีนี้ว่าไอ้ขั้นตอนวิธีการในการพูดในการปฏิบัติเนี่ยมันมันเยอะแ ย, ย, ยะไปหมดแต่ถ้าเรามองในภาพรวมก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่างหลวงพ่อเรียกว่ารู้ตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวก็ยังไงเมื่อรู้ตัวแล้วก็ต้องปล่อยวางตัวแต่ถ้าไม่รู้ตัว มันก็ก็ไม่รู้จะวางอะไรไม่รู้จะทำยังไงเออแต่ถ้ารู้ตัวก็คือปล่อยวางให้ตัวตัวเราเนี่ยที่เป็นสิ่งถูกรู้นี่แหละอ่ายอมเช่นเลยผมผมขออนุญา ต, ตราบถามถามหลวงพ่อแล้วกันไหมครับคือเมื่อวาน่วานนี้เราลองไปเข้าอีกห้องหนึ่งแวบะบห้งาะผมจำชื่อห้ไม่ได้แล้ว ผมก็ฟังเข า, าพระท่านคุยกับโยมโยมที่ถูกถูกถามเนาะสภาวะที่รู้ตัวนะครับมันจะมีแบบที่หลวงพ่อเคยบอกถ้าเราถ้าเรารู้ตัวรู้รู้ว่ามันมีความคิดฟุ้งฟงแต่งฟุ้งซ่านขึ้นมาโอเคก็แค่รู้แต่ว่ามันจะมีมันจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนพระพาะอีกท่านหนึ่งท่านบอกว่า เรารู้ตัวแล้วเรากระชากมันมาเลยไหมอะไรประมาณนี้การกระชากนั้นหมายหมายถึงเราเรามีอารมณ์โมโหคุณมัวเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมครับกระชากเอเดี๋ยวขยายความน็ตหนึงว่ากระชากอะไรยังไงนะเมเติมเน็ตขยายความเหมือนเหมือนผมเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยอาจจะเวลารู้สึกมีความรู้สึกที่ไม่ชอบหรือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ่ะแล้วเราก็แบบไม่อยากให้มีแล้วเราก็แบบ คือคือดึงสติมาทันทีเลยโดยที่แบบเราไม่ชอบสิ่งนี้นนมาอ๋อมีเจตนาที่จะเ อ, อไปแทรกแซงในอาการเนาะใช่หมใช่ใช่ออคนนน ง, นนชงน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าโดยพฤติกรรมของของผู้คนเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ารักสุขเกลียดทุกข์นั่นแหละซึ่งไหนที่ที่ไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยก็จะมักจะผลักใส่เกลียดมันอะ่ะเออสิ่งไหนที่พอใจยินดีก็จะจะยึดเอาไว้มาครอบครอง ทีเนี้ยไอพฤติกรรมแบบเบียดทุกรักสุกพวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันยังมีกิเลสยังมีตัณหาคือใจเนี้ยยังไม่เป็นกลางเนาะหมายถึงว่ามันมีพฤติกรรมของความไม่เป็นกลางแต่ทีนี้ว่ามันก็แน่นอนอ่ะในเมื่อช่วงการฝึกมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราฝึกอะไรเราฝึกเราฝึกให้มีตัวรู้ใช่ไหมเราฝึกสติก็หมายความว่าเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นก็คือรู้มันถ้ามันไกลชาต เห็นไหมเราฝึกสติเนี่ยคือให้มีตัวรู้รู้ว่ามันกระชากรู้ว่ามันดูดรู้ว่ามันผลักใสอะไรก็แล้วแต่ฝึกให้มีตัวรู้เข้าไว้เป็นเป็นหลักก่อนเพราะว่าเมื่อต่อไปเนี่ยเมื่อตัวรู้เนี่ยมันมั่นคงเนาะมันก็จะชํานาญในการรู้ก็หมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ก็รู้ก็รู้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันรู้แต่ก็ไม่ยึดนะมันรู้แต่ก็ไม่ยึดในสิ่งที่ถูกรู้ เ, เป็นอย่างนั้นไปทีนี้ถ้าเราบอกว่า สมมุติเราแต่จริงเวลาการสอนมันก็พูดนะก็บอกว่าเออเกิดอะไรขึ้นก็ให้รู้ซื่อๆเนาะให้รู้อย่างที่มันเป็นคือเราพูดได้ไงพูดในทางทฤษฎีเนาะแต่พอภาคปฏิบัติเนี่ยมันมีการแทรกแซงกันไม่ซื่อเยอะแยะแต่ก็ใช้หลักตรงที่ว่าถ้ามันไม่ซื่อก็รู้ว่ามันไม่ซื่อแค่นั้นแหละเออมันซื่อก็รู้ว่ามันซื่อมันไม่ซื่อก็ก็รู้ว่ามันไม่ซื่อเพราะนั้นก็ใช้หลักคือให้มีตัวรู้เรื่อยไป เพราะว่าตามความเป็นจริงมันรู้ได้นี่เนาะเวลาผลักใสเนาะเวลาไม่ชอบเวลากระตุกเวลาดึงมันรู้หมดแหละเออเพราะฉะนั้นก็ขุดกับสิ่งพวกนั้นแหละเอามาเป็นเครื่องรู้ของของจิตใช่ไครับถ้ า, ถ, าถ้าเป็นอย่างอย่างอย่างที่ผมเป็นก็คือถ้ า, ถาเมื่อมีอความรู้สึกชอบไม่ชอบเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยที่เราก็ะ้างมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าใจมันจะวิววิวมันจะรู้สึแบบ ไม่ชอบสิ่งนี้เลยมันจะรู้สึกแบบทางกายมันก็ชอบออกด้วยมันรู้สึกแบบวาบขึ้นมาเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบแต่ถ้าเกิดเรารู้เฉยๆเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกสบายมากเลยมันไม่ได้รู้สึกยินดียินไลยอะไรเลยครับประมาณนี้ครับใช่ <Okay. S 1> แต่ทีนี้การรู้แบบการสอนให้รู้แบบเมื่อกี้เนาะที่ที่โยมทวีศักดิ์ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อตอบไปเนี่ยสิ่งเนี้ยยังไม่ดีเท่าที่รู้ปัจจุบัน รู้ปัจจุบันว่ามีตัวเราเลยตอนนี้มีตัวเราเลยเป็นผู้เป็นผู้คุยกันเนาะเป็นผู้ถามกันถ้าใครรู้ในปัจจุบันตอนเนี้ยนี่คือเป็นวิชาที่พ้นทุกข์ได้เลยแต่ส่วนมากหลายหลายคนก็คือมันลืมตรงนี้ไปไงลืมตรงปัจจุบันไปว่าปัจจุบันนะยังมีตัวเราอยู่นะแต่ทีนี้ถ้ารู้ทันเนี่ยตอนนี้หลวงพ่อชี้บอกให้รู้ทันแล้วให้รู้ทันว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีตัวเรานะเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วก็รู้ตัวซะ พอรู้ตัวเสร็จแล้วเนี่ยรู้ตรงเนี้ยรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะปล่อยวางปล่อยวางตัวเราทั้งตัวเลยเห็นไหมพอปล่อยวางทั้งตัวก็ความเป็นตัวเราก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เป็นแค่สังขารแต่เมื่อปล่อยแล้วมันก็เป็นความหลุดพ้นในปัจจุบันตรงนี้ถึงแม้ว่าวันนี้ไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังซ้ําๆบ่อยๆบ่อยๆถูกยี่บ่อยๆมันก็จะจําสภาวะได้ก็คือจําการรู้ตัวเองขึ้นมาได้ว่าอ๋อ ตัวเองเนี่ยก็คือตัวเนี่ยตัวเราเนี่ยตัวฉันนี่แหละตัวเรานี่แหละแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวตายใช่เป็นตัวตายยึดถือไม่ได้ถ้าเคยยึดไอ้ตัวตายเนี่ยผู้ยึดก็จะตายไปกับมันใช่แต่ถ้ารู้แล้วไม่ยึดปล่อยวางมันก็มีแต่ไอ้ตัวเนี่ยตายไปฝ่ายเดียวแต่ไม่มีผู้ตายตามไปด้วยอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นความพ้นไปจากความตายพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสอนในทางที่หลุดพ้น หลุดพ้นจากความเกิดอะไรเกิดละ่ะก็มีตัวเราเกิดมาแล้วอ่าถ้ารู้ทันปัจจุบันก็จะพ้นจากตัวเราผู้เกิดอ่าเวลามันเจ็บมันป่วยอันนี้อันนี้ยังไม่ป่วยแต่ว่าไอตัวป่วยก็คือตัวเรานี่แหละถ้ารู้ตัวเราก็ตัวถ้ารู้ว่าตัวเราใช่ไหมแล้วก็ตัวเราป่วยแต่เมื่อไม่ยึดก็ไม่มีผู้ป่วยมีแต่ตัวมันป่วยอ่าแล้วพอตายขึ้นมานะถ้าเป็นปัจจุบันขณะ ก็รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันตายแต่ไม่มีผู้ยึดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีผู้ตายเห็นไหมมันมีแต่หลุดพ้นสถานเดียวถ้าเจีมแจ้งเรื่องนี้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะขณะที่หลวงพ่อกำลังชี้บอกอย่างนี้นั่นแหละคือได้เห็นทางพ้นทุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทางพ้นทุกก็จะรู้จักเลยว่าอ๋อทางพ้นทุกคือรู้ตัวเราแล้วก็ไม่ยึดถือตัวเราเนี่ยคือมันทางมันอยู่ตรงนี้ นะก็พวกเราก็ค่อยๆสังเกตกันแล้วกันนะระหว่างเวลาหลวงพ่อชี้บอกกับใครก็ตามเอให้สังเกตว่าหลวงพ่อก็จะดึงกลับมาเหมือนกับว่าให้รู้ตรงนี้นะให้รู้ตรงนี้นะรู้ปัจจุบันนะแล้วก็แค่รู้แล้วก็ทิ้งไปเท่ากับแบบมันทิ้งทั้งตัวมันวางทั้งตัวเลยวางหมดเลยอ่ะก็ก็ถ้าชํานาญเนี่ยมันก็หลุดจริงๆเลยมันมันพ้นไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเป็นแค่จากทางมันก่อนนะเรียกว่ามักเนี่ยมักทางสู่ความเ้นทุก เนี่ยที่หลวงพ่อขึ้นชื่อเรื่องว่ามองข้ามไปจึงไม่เห็นทีนี้เราลองเทียบกับเมื่อกี้นะลองเทียบกับที่ที่โยมทวีศักดิ์ชวนคุยเนาะถามเรื่องคุยห้องนั้นห้องนี้ห้องนนไอ้นั้นมันอยู่ปลายมันอยู่ปลายมันอยู่ด้านปลายแต่ต้นทางนี่คือตัวเราต่างหากที่อยู่ตรงนี้ที่กำลังคุยแต่พอเราคุยเรื่องปลายทางนะปลายทางคือสิ่งที่อยู่ไกลตัวเราเนี่ยเราก็ไม่เห็นตัวเราซึ่งอยู่ต้นทางตรงเนี้ย ตรงนี้เขาเรียกว่ามองข้ามไปก็เลยไม่เห็นแต่พอหลวงพ่อชี้บอกแล้วโอ้มันก็เห็นเห็นชัดด้วยว่าอ้อที่แท้นี่มันอยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ปล่อยก็คือตัวนี้เนี่ยโอเคไหมยมทวาตักเขจ้จคนอื่นเข้าใจไห่รู้เปล่านะตลงที่หลวงพ่อพูดถ้าไม่เข้าใจอยากชวนคุยมากๆเลยคือพอพอเข้าใจครับผมวพ่อแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้สัมผัสสภาวะนั้นก็เลยอาจจะเข้าใจได้ไม่ พูดได้ไม่เต็มปากอ่ะแต่พอเราเห็นภาพว่าให้เลื่องที่าดึงกลับมาจะปัจจุบันนี่แหละไอ้สิ่งที่เราถามไปเนี่ยมันคือสังขารปร่งแต่งใช่ไหมครับ <ừ> ก็คือให้เรารู้ตัวปัจจุบันนี้แหละ ว, ว่าเราเรากําลังเนี่ยถามหลวงพ่ออยู่อะไรประมาณเนี่ยครับ<ช>เหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ไม่ใช่ใครเลยเป็นแค่ผู้รู้ที่เฉยใช่ไหมครับอ <ừ> ืมคือเรื่องที่ถามเนี่ยที่ถามนี่เนาะมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะเรื่องราวที่ถามเนี่ยมันเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แต่มันมีตัวเราซึ่งเป็นผู้ผู้พูดถึงเรื่องนั้นเนี่ยมีตัวเราเป็นผู้กล่าวถึงเรื่องนั้นแต่เรื่องนั้นน่ยมันเป็นเรื่องที่ที่อยู่นอกตัวเราเนาะมันผ่านมาแล้วด้วย <ฮ happens. S 2> แต่ตัวเราเนี่ยซึ่งยังอยู่เนี่ยตอนเนี้ยกําลังนั่งคุยอยู่เป็นผู้คุยเป็นผู้ถามแต่ลืมลืมไปคือไม่เห็นตัวเราที่ที่มีอยู่ที่กําลังปรากฏอยู่ <c oughs> พอลืมปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีคนชี้บอกเนาะ มันก็ลืมอยู่เรื่อยไปแหละก็เลยคุยแต่เรื่องที่อยู่ไกลตัวเพราะนัะน้นที่หลวงพ่อดึงกลับมาตรงนี้ก็เหมือนกับว่าชี้บอกอะเนาะว่าแก่นมันจริงๆสาระสําคัญจริงๆคือรู้รู้รรเล่าเรื่องอ่าพอเห็นภาพชัดขึ้นไหมเออนี่แหละอย่างนี้แหละเนา ะ, นะเออเนี่ยถ้าชัดอย่างเงี้ยไปไปเหมือนกับว่าที่นาบ่อยๆแล้วก็มันก็จะชัดขึ้นแต่ก็ยังคุยเรื่องอื่นได้เหมือนเดิมนะคุยเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วมันก็อาจจะหลงลืมแต่ว่า บางช่วงบางเวลามันก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อมีตัวเราเป็นผู้เป็นผู้เป็นผู้พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เนาะเหมือนเหมือนกับวันก่อนที่อไอโยมทวีศักดิ์เล่าเรื่องรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งลักษณะของมอเตอร์ไซค์คือมันมีคลาสมีเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตอนนั้นอ่ะตัวเราเนี่ยกําลังพูดถึงเรื่องรถมอเตอร์ไซค์แต่เราลืมตัวเราไปว่าไอเราเนี่ยเนี่ไอตัวเนี้ยเป็นตัวตาย เป็นตัวสิ่งที่ต้องรู้และก็ปล่อยวางเห็นไหมมันลืมสนิทเลยถูกปะ่ะจนกว่ า, า จ, จะมีคนมาบอกบอกเออวิธีพ้นทุกข์นะถึงจะเล่าอะไรก็เล่าไปเ อ, อแต่ต้องวางไอตัวเราพู้เล่าเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยวางหมดทั้งตัวเลยรู้ตัวเราแล้ววางหมดทั้งตัวเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อวางหมดแล้วเนี่ยมันก็หมดแล้วนี่พอวางแล้วมันก็หมดแหละใช่ไหมหมดก็คือเป็นความพ้นไปไม่รู้อะไรพ้นแหละคือมันก็เพราะว่าเมื่อไม่ยึด มันเมื่อมันไม่ยึดมันก็พ้นจริงๆนะแต่ไม่รู้อะไรพ้นมันมันพูดยากอ่ะแต่ว่าเมื่อไม่ยึดแล้วมันก็พ้นเลยเนี่ยประมาณอย่างนี้โยมทวีศักดิเ์เริ่มเริ่มเคลียร์และเราก็รู้สึกว่าเออชัดเจนขึ้นเชียร์เคลียร์เข้าใจครับแตนในทางปฏิบฏัติดิค่อนข้างยากก็สมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้จักทางแล้วเนี่ยเนี่ยทางว่าตรงนี้มันเป็นทางที่จะพ้นทุกที่ออกจากทุกเนาะอือย่างบางทีนะสมหลวงพ่อยกตัวอย่างก็เหมือนกันนะอย่างสมมติว่าโยมทวีศักดิ์เนี่ย อาจจะกําลังยืนอยู่ป้ายรถึมล์นะสมมติเนาะแล้วก็โยนทวีศักดิ์ก็ตาก็ไปมองไปมองคนใดคนหนึ่งไปมองหญิงสาวก็แล้วแต่นะไปยืนมองแล้วก็ระหว่างยืนมองเนะาะโยนทวีศักดิ์ก็คิดในใจเนาะคิดถึงเรื่องผู้หญิงคนนั้นแหละตาก็ยังมองแนบอยู่กับผู้หญิงคนนั้นไอ้ตรงเนี้ยถ้าถ้ามองแล้วก็คิดไปเรื่อยเรื่อยืยืย่อก็คือคิดเป็นเรื่องเป็นราวอะตรงเนี้ยเขาเรียกว่ารู้เรื่อง คือว่ามันเป็นเรื่องราวที่คิดไปแล้วแต่ลืมตัวเองไปว่าไอ้ตัวเองเนี่ยที่เป็นผู้ยืนมองเขาเนี่ยแล้วกำลังคิดอยู่เนี่ยกำลังมีความรู้สึกอยู่เนี่ยมันลืมตรงนี้ไปพอลืมตรงนี้ไ ป, นไปเนี่ยเขาเรียกว่าลืมตัวแต่ถ่านนึกได้ขึ้นมาว่าโอ้นี่เราคิดเองทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้ตัวเรายืนอยู่ตรงนี้แต่ตามันมองไปที่ตรงนู่นแต่เราก็ลืมตัวเองไปตรงนี้เขาเรียกว่ามองข้ามเนาะมองข้ามคือไม่เห็นตัวเอง มองข้ามมันตัวเราอยู่นี่แต่ไปมองตรงนู่นก็เลยข้ามตัวเราเลยไม่เห็นตัวเราเพราะนั้นมันจึงมีความต่างกันว่าการที่ไม่เห็นตัวเราเนี่ยไอ้ตรงนั้นแล้วเขาเรียกว่าเป็นเหตุให้ทุกขนำทุกมาให้แต่ถ้าเห็นตัวเราแล้วก็วางว่าไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวตายยึดถือไม่ได้อันนี้เป็นทางออกจากทุกเป็นทางพ้นทุกเห็นไมมันก็มีสองทางเองอ่ะทางเป็นทุกกับทางพ้นทุกถ้าส่งออกนอกก็เป็นทุก ถ้ารู้ตัวเองแล้วก็วางอันนี้ผลทุกหลักมันก็มีแค่นี้แหละถุกบ่อยๆเชี่ยไหมเชี่ยครับอ่าโอเคอาเดี๋ยวคนอื่นๆนะใครใครมีอยากคุยเออไม่ใครว่ายังไม่เข้าใจในสิ่งของหลวงพอ่อกำลังชี้บอกน้อก็ให้ขึ้นมาคุยเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะเรียกขึ้นไป คุยแบบนี้แหละมันจะมันเป็นเขาเรียกว่ามันอยู่ในกรอบของสติปัฏฐานอยู่ในกรอบของความรู้สึกตัวมันจะไม่เนิ่นช้าในการปฏิบัติแต่ถ้าคุยแต่เรื่องอื่นเรื่องอื่นมันมันลืมตัวไงมันทิ้งฐานไปมันก็ช้าหมดมองข้ามไปจึงไม่เห็น <c oughs> มองข้ามไปจึงไม่เห็น <c oughs> ของมันเป็นตัวเป็นตัวเป็น ต, น, ตนอยู่ตรงนี้แ ท, ท้แต่มองไม่เห็น <c oughs> เออ ก็ต้องอาศัยจำตัวเองให้ได้จำตัวเองให้แม่นแล้วก็สุดท้ายก็รู้ตัวเองบ่อยๆความหลงอ่ะหรือว่ายกตัวอย่างความหลงนะอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างประกอบอย่างถือว่าเราเนี่ยกำลังฝึกรู้สึกตัวอยู่เนาะคือรู้ตัวแหละตอนที่ตาเราไม่มองไม่ส่งออกอะไรค่อนข้างจะรู้อยู่ว่ามีตัวมีตัวเราแล้วก็ตัวเรากำลังพูดกาลังคิดมันก็รู้อยู่เนาะแต่พอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น เฉพาะหน้าตรงนั้นแหละมันจะเผลอโดยมันจะเผลอตัวแบบอัตโนมัติมากเลย mm. เช่นเรากําลังสมมติวเรานั่งในรถยนต์เนี่ยนะนั่งในรถยนต์เนี่ยเราไม่ได้ขับรถเนาะแล้วก็ระหว่างนั่งรถยนต์เราก็นั่งเจริญสติอยู่เนาะรู้ตัวรู้ตัวรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจที่มันคิดอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตาเราก็ไม่ได้หลงไปมองอะไรที่มันประเภทแบบจนลืมตัวนานเนาะ แต่พอเกิดเหตุการณ์เช่นอเห็นอุบัติเหตุเกิดข้างทางเรามีรถชนกันมีรถควา่ามีคนบาดเจ็บตรงนั้นแหละเริ่มและก็ตาไปมองเนาะพอตาไปมองเสร็จก็พูดทั้งพูดออกเสียงทั้งไม่ออกเสียงอะไรบอกโอ้โหโอ้โอ้โหตายไหมหนะตายไหมหนะาเป็นเลยหรือเปล่านะโอหน่าสงสารเนาะไอ้ตรงเนี้ยโอกาสที่จะลืมตัวมีสูงมากเพราะว่าจิตเนี่ยมันมันไปมองข้างนอกล้วไปมองในที่เหตุการณ์เนาะไปมองผู้คนไปมอง อ่าไอ้ตรงที่คนเจ็บคนอาจจะตายอะไรแล้วแต่แล้วก็พูดพูดพูดไปเรื่อยเนาะตรงเนี้ก็จะลืมตัวเนาะแต่ทีนี้เมื่อลืมตัวแล้วพอถึงขณะใดขณะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดนึกขึ้นได้มาว่าเออเมื่อกี้เนี่ยลืมตัวใช่ไหมลืมลืมลืมตัวไปเลยเพราะตัวที่ได้รู้ อ, อ่าที่รู้ตัวอยู่ก่อนหน้าเนี้ยมันถูกลืมไปก็เลยทําให้นึกขึ้นได้ว่าเอา้าเมื่อกี้ลืมตัว ไอ้ตรงที่นึกได้ขึ้นมาว่าเมื่อกี้ลืมตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นการรู้ตัวที่เป็นเองนะเป็นการรู้ตัวที่ออบริสุทธิ์มากเพราะว่ามันรู้มันรู้เองนะโดยที่ว่าไม่ต้องเราต้องมาเจตนาที่จะทําความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นไอ้รู้ตัวแท้ๆเนี่ยมันก็มีจะลักษณะแบบนั้นแหละคือไม่มีผู้แทรกแซงในการที่จะให้รู้สึกตัวตรงเนี้ก็อาจจะทําให้รู้จักความแตกต่างระหว่างที่เราฝึกกับที่มันรู้ตัวเอง ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการที่เรากำลังฝึกกับที่มันรู้ตัวด้วยด้วยสติของมันเองนะเพราะว่าถ้าเราฝึกเนี่ยมันยังมีเจตนาฝึกใช่ไหมยังมีน้ำหนักมันจะมีน้ำหนักแต่ก็ต้องฝึกนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่ฝึกเลยมันก็กลายเป็นว่าจะจะจ ะ, จะเหมือนกับคนทั่วไปจะหลงจะลืมอะไรเนี้ยก็ฝึกนะฉนั้นการฝึกมันจะมีเจตนาแต่ถ้ามัน มันไม่เจตนาเลยเนี่ยมันก็คืออย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างคือมันรู้ตัวขึ้นมาเองเลยนะอันนั้นแหะเป็นการรู้ตัวที่ที่เป็นธรรมชาติมากๆแต่มันก็รู้สึกตัวจิ๊กเดียวแค่นั้นแ่ะเดี๋ยวมันก็หลงหลงต่อได้อีกเพราะฉะนั้นก็ให้รู้จักไว้ว่าเวลาเจตนาฝึกมันเป็นอย่างนี้เวลาไม่เจตนาแล้วมันมันรู้ตัวเองขึ้นมาเป็นอย่างนั้นนะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เลือกไม่ได้ทั้งหมดจะเลือกว่าจะไม่ฝึก ก็ไม่ได้จะเลือกว่าจะฝึกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็เลยผสมกันคือมีเจตนาบ้างแล้วก็ไม่เจตนาบ้างแต่อย่างไงก็ดีนะธรรมชาติที่รู้เนี่ยที่มันรู้ก็มีอยู่คือเจตนามันก็รู้ว่าเจตนาไม่เจตนามันก็รู้ว่าไม่เจตนานี่ไอ้ตัวรู้ตัวหลังเนี่ยไอ้ตัวรู้ที่มารู้ทั้งเจตนารู้ทั้งไม่เจตนาอันเนี้ยอันนี้แหละเป็นรู้ที่ โอ้จะอธิบายยังไงล่ะเป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยซึ่งมีอยู่แล้วนะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วธรรมชาตินี้จึงรู้แจ้งรู้แจ้งทุกอย่างเลยรู้แจ้งในตัวเราหมดเลยว่าเราเจตานาหรือเราไม่เจตานามันรู้เราหมดเลยไอการรู้เราแบบนี้ทำให้เข้าใจได้เลยว่าไอธรรมชาติรู้ที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมีอยู่จริงส่วนในตัวเราเนี่ยก็เป็นตัวตัวปรุงแต่ง เป็นตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายนะตัวต้องพัดภาคสูญเสียจากจากไปแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราธรรมชาติเนี้ยเป็นธรรมชาติที่พ่นที่มันหลุดพ้นไปจากตัวเราเป็นธรรมชาติที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้ชี้ตรงนี้ก็เพื่อให้พอจะเข้าใจได้ว่าอ๋ออะไรที่มันเป็นตัวตัวตายอะไรที่เป็นตัวไม่ตายตัวตายก็คือตัวเราทั้งก้อนนั่นแหละทั้งแท่งเลยทั้งขันห้าเนี่ยตัวตายตายหมด เกิดแล้วแก่เจ็บตายไปส่วนตัวไม่ตายก็คือเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วที่รู้ตัวเราอันเนี้ยไม่ตายนะก็ให้เป็นแค่รู้จักว่าเออธรรมชาติมันมีสองประเภทประเภทที่เกิดตายกับประเภทที่ไม่เกิดและก็ไม่ต้องตายเนี่ยตรงนี้ไม่รู้พอให้เป็นพอเข้าใจนะพอเข้าใจเป็นแนวทางเฉยๆแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่ า, วาคือ ฝึกรู้ฝึกรู้ตัวเราบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจเองว่าธรรมชาติมันก็มีสองสองประเภทจริงๆอาจารย์สวัสดีครับครับออผมเมื่อัี้ดังพั่งอาจารย์ถือธรรมชาติผ ม, ผมก็ผมก็ฟังพระอาจารย์ตลอดครับเพราะว่าเหมือนว่าการฟังของพระอาจารย์กางฟังของผมตัวนี้เหมือนว่าให้มันพ่อสภาวะที่อาจารย์บอกผมเห็นเห็นที่อาจารย์บอกผมก็ประมาณเดือนหนึ่งครับ แต่ก็เหมือนว่าเหมือนเราต้องสร้างให้มันมีเรื่อยๆใช่ไหมครับอาจารย์ให้มันทํานานเออใช่ในช่ครับให้ให้เป็นวัสีเนี่ยนะครับอาจารย์ที่ผมฟังเน่เน่จะถูกใช่ไหมครับอาจเออเออแล้วเหมือนว่าบางทีการฟังของพระอาจารย์เนี่ยมันเหมือนเป็นการเลือกว่าเตือนสติครับให้มันเกิดศรัทธาครับอาจารย์เพราะอย่างบางครั้งมันก็ถ้าได้ฟังเมื่อไหร่มันก็เหมือนว่ามันก็จะเข้าอยู่ในโหมดที่เรารู้สึกตัวครับอาจารย์ความผมนะครับเหมือนว่า ก็ตอนนี้ชีวิตประจําวันนะครับอาจารย์ใช้ใช้คำ ว, ว่าความพยายามเนาะอาจารย์พยายามที่แบบว่าเอาตัวเองมาอยู่กับกรรมฐานถ้ามันไม่หลงลืมนะอาจารย์อย่างเช่น <c oughs> มนไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่ครับอาจารย์ผมขอปรึกษาก่อนนะครับว่าอย่างเช่นขับขับรถเนี้ยอาจารย์เราก็ดูว่าเอาใจมันวิ่งไปนู่นนะเดี๋ยวมันก็มาอยู่กับรถอย่าเงี้ยครับผมก็อยู่อย่างนั้นแต่ที่ท่านอาจารย์สอนว่าอ๋อไอตัวให้เรารู้เราก็ต้องทิ้งเหมือนกันนะเพราะว่ายัง ไ, ไงไอตัวนี้มันก็ยังเหมือนว่าก็ยังเป็นตัวเป็นตเนเงนี้ยครับอาจารย์ ผมมาประมาณเนี้ครับอาจารย์ก็ถือว่าทํางานอย่างผมทํางานปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์ก็พยายามเอาจิตมามารู้ไว้ว่าตอนนี้เราปลูกต้นไม้นะแต่มันก็จะเห็นความคิดเพี้ยนแว บ, บไ ป, ไปกลับมาอเ ง, งี้ยคอาจารอ๋อมันไปมันมาครับบางทีเพื่อนเมื่อกี้ถามผมผมถึงผมเห็นผมก็ยังสงสัยนะครับอาจารย์ว่าถ้าเราเห็นมันแล้วอ่๋อเราเราจะเราบางทีเขาบอกว่ากระชากมันกลับมาเลยไหมหรือว่าอ๋อเราเห็นมันแล้วแล้ว เ, เอามาอยู่กับกายอะไรเงี้ยครับอาจารย์ ผมก็ยังแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ ไ, ม ไ, มได้เก่งมากเยครับก็อยากขอคํำคิแนะครับอาจารย์ครับเ อ, อ, เ อ, อ๋โ อ, อโอเคนะเออที่ถามเมื่อกี้มาแล้วครับคบเออบางท<บ>ีเนาะการจะตอบจะตอบคําถามเนาะบางทีถ้ามันไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยจะเข้าใจแบบเหมือนกับว่าเข้าใจ ด, ด้วยสมองเข้าใจ ด, ด้วยแบบมโนนะทีนี้หลวงพ่อก็จะเอาเป็นปัจจุบันก็แล้วกันนะปัจจุบันเนี่ย ให้เห็นตัวเราเลยว่าตัวเราตอนเนี้ยมีตัวตนเลยเออใช้คําว่าตัวตนเลยนี่นะอืเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเป็นเนี่ยยังเที่ยงอยู่เนี่ยยังนั่งอยู่ยังคุยอยู่เนาะให้เห็นตรงนี้ให้เห็นพอเห็นแล้วเนี่ยเท่ากับว่าโอเคตอนเนี้ยรู้ตัวแล้วรู้ตัวก็คือรู้รู้รทั้งตัวเนาะรู้ว่ามีอยู่รู้ว่าเรามีอยู่เนี่ยอ <ะ S 2> พอรู้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็สามารถที่จะขยายให้ฟังได้เลยว่าขณะที่รู้ตัวเราแบบเนี้ยก็จะ ทำเหมือนกับว่าต้องต้องฟังเพิ่มเติมว่าเออแล้วเมื่อรู้ตัวเราแล้วมันเป็นยังไงก็จะรู้เลยว่าไม่ใช่พอเห็นตัวเราทั้งตัวแล้วเนาะหลวงพ่อก็จะขยายความเพื่อที่จะออกจากทุกข์ก็คือว่าให้รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ย ท, ที่ที่ที่มีอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่แก่ที่เจ็บที่ตายนะยึดถือไม่ได้หมายความว่าถ้ามายึดถือเนี่ย มันจะเป็นโทษกับตัวเองนะถ้ายึดถือแล้วมันจะเป็นโทษคือทําให้ผู้ยึดเนี่ยจะต้องมีทุกข์กับไอ้ตัวเนี้ยชเช่นเวลาตัวนี้มันมันมันแก่นะสมมตินะถ้ายึดก็จะจะทุกข์กับไอ้ตัวเนี้ยคือทุกข์ว่าเราเป็นผู้แก่แต่ถ้าไม่ยึดก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแก่มันผมหักวันเออผมหอกฟันหักหนังเหี่ยวเห็นไหมจะเห็นเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยผมหอกฟันหักหนังเหี่ยว แต่ไม่เดือดร้อนใจเพราะเหตุว่าไม่ได้ยึดถือตัวนี้ระยมไอ้ตัวนี้ไอ้ที่ว่าตัวเรานี่เนาะเวลามันป่วยนะมันป่วยมันปวดแข้งปวดขามันมันอะไรเนี่ยปวดหัวตัวร้อนอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ยึดใจตัวนี้ก็จะไม่มีผู้ทุกพอไม่มีผู้ทุกก็แปลว่านั่นก็คือใจไม่ทุกแล้วก็ถ้าไม่ยึดเรื่องความตายนะพอไอ้ตัวนี้มันตายเมื่อไม่ยึดแล้วก็ไม่มีใครทุก แต่ตัวนี้มันตายไปการที่ทําอย่างเนี้ฝึกซ้อมบ่อยๆซ้อมบ่อยๆให้เห็นตัวเนี้ยเห็นเพื่อปล่อยวางนะเป้าหมายของมันคือปล่อยวางเหตุที่ทําไมต้องปล่อยวางเพราะว่ามันมีโทษมากถ้ายึดแต่ถ้าปล่อยมันไม่มีโทษเลยมันมีแต่หลุดอย่างเดียวมีแต่พ้นอย่างเดียวแล้วพ้นเนี้ยก็คือพ้นตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดก็จะพ้นไปจากสิ่งนั้นเมื่อไม่ไม่ยึดถือความเกิดก็จะพ้นจากความเกิด เมื่อไม่ไม่ไม่ยึดถึงความแก่ก็จะพ้นจากความแก่เมื่อไม่ยึดถือความเจ็บป่วยไข้ก็จะพ้นจากความเจ็บป่วยไข้เมื่อไม่ยึดถือความตายก็จะพ้นจากความตายทุกอย่างเห็นไหมมันรวมลงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันรวมลงอยู่ในตัวเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเราก็คือสิ้นยึดไม่ยึดถือมันก็จะพ้นจากตัวเราทั้งตัวเลยคือพ้นหมดเลยตรงนี้แหละมันเป็นหนทางนะ เพราะนั้นเนี่ยการอธิบายให้แจมแจ้งเนี่ยต้องกลับมาฟังแล้วก็การรู้ตัวปัจจุบันแบบนี้แล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นได้ว่าโอ้ที่แท้เนี่ยที่ครูเรียนธรรมะ ก, กันแบบโอ้โหตำรามาหาสารข้อปฏิบัติมากมายมีทั้งสติสมาธิปัญญามีศีลแต่สุดท้ายเนี่ยมันเพื่อการปล่อยวางทั้งหมดเลยและเพื่อการเห็นถูกคือมีปัญญาว่าไอ้ตัวเรานี่นะจริงจนิงอ่ะมันก็คือสังขารที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะ เพราะนั้นน่จงเห็นตัวเราปัจจุบันบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็มันก็จะหลุดพ้นได้จริงทีนี้พอหลวงพ่อพูดแบบนี้เอา้ายังมีปัญหาตรงไหนอีกไหม อ๋อครับอาจารย์ผมมีปัญหาอีกนิดนึ่งครับอาจารย์ครับผคือจะจะหผมเนี่ยมันเป็นคนคิดมากครับอาจารย์เพราะว่าแรื่องอย่อาจารย์พูดเนี่ยผมเห็นผมผมรู้ครัที่อาจารย์บอกทุกอย่างเลยครับแต่ว่าอย่างบางครั้งเนีไยครับมันมันมันจะหลุดเป็นขณะขณะขณะอาจารย์ผมคือครับผมถ้าเรารู้ตัวปุ๊บมันก็จะโล่งโล่งเหมืออาจารย์วาครับสองแป๊บนึงมันก็จะเข้าเข้าเข้าเข้าไปอยู่ในโมดี รู้รู้รู้รู้รูหลงหลงไหมครอาจารย์ครมันก็ทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีกําลังเหรอครับอาจารย์อันนี้ผมต้องถามถามเผื่อไปไว้เผื่ออนาคตอะไรเงี้ยครับที่เล่าเมื่อกี้เป็นเหตุการณ์อดีตใช่ไหมล่ะว่ามันมีรู้รู้หลงหลงใช่ไหมเป็นอดีตเนาะครับพระอาจารย์ได้ยินนะครับอ่าโอเคได้ยินแล้วอ๋อครับพอดเมื่อกี้ผมอยู่ข้างในห้องแอร์คนเยอะครับเดี๋ยวผมออกมาคุยข้างนอกทงก็ครับงงอยากฟังพระอาจารย์ว่าโอ้ผม ตั้งแต่เนีครับมาเจออาารผมก็สังเกตครับสังเกตมันไปเรื่อยเรื่อยครับแล้วก็เห็นมันเป็นลักษาอย่างนั้นที่เราอาจารย์ฟังครับอฟังบางครั้งก็ครับอย่างที่ครั้งหลังสุดเนี่ยผมหลงไปนานครับที่เล่าเร่ากาที่ว่าไปฟังพระอาจารย์พูดเรื่องความคิดครับเพรมันบูดขึ้นมาของมันเป็นปกติอยู่แล้วแล้วพอาจารย์กอธิบายให้ฟังเป็นฉากป็นฉากเป็นฉากเลยหผมก็เกิดแบบผมก็เกิดความเข้าใจอรเปความเข้าใจแต่ว่ามันไม่หลุดครับ แต่พอมาคุยกับพรอาจารย์เดบพี่นุย้ยเออพี่พี่พี่นุย้ยก็นั้นอาจารย์อ๋อก็รู้ว่ามันรู้อันนั้นผมก็หลุดออกมาเลยครับอาจารย์หลุดออกจากสมาธิว่ะอ๋อมันก็แบบว่าอ๋อมันก็หลุดเป็นเป็นพักเป็นพักครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มาฟังพอาจารย์สอนก็ครับเนี่ยครับก็มันก็รู้สึกตัวมันเป็นพั ก, พก